ญาณาสำแดงฤทธิ์ในบ่ายวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2545เวลา15นาิกา20นาทีหลวงตาเดินทางไปรับพราป่าพร้อมแสดงพระธรรมเทศนาณรงอาหารหน้าเขื่อนลำตะคองพิธีการเริ่มโดยประธานจัดงานกราบรายงานถวายหลวงตาเสร็จแล้วหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนา แต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในความระทึกและเงียบงนันก่อนที่หลวงตาท่านจะแสดงธรรมเกิดกระแสลมพัดกระโชกเต็นสลันกันแดดพวกเราที่อยู่ในสถานที่นั้นจึงอดที่จะมองไม่ได้สลันถูกลมตีจนเป็นระลอกคลื่นคล้ายตัวพญานาคตัวข้าพเจ้าเองก็เย็นวาบและมีอาการขนลุกร่วมด้วยหลายคนมีอาการคล้ายกันต่างคนมีความเห็นตรงกันว่า น่าจะเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพญานาคแม้แต่คณะเรือบุญปากน้ำก็ยังได้เล่าถึงนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนเดินทางมาร่วมงานว่ามีพญานาคไปตามให้มาที่เขื่อนจึงเป็นครั้งแรกที่คณะเรือบุญปากน้ำต้องสร้างต้นพระป่าเป็นตัวพญานาคถวายหลวงตาหลวงตาท่านอยู่ในท่าสมาธิหลับตาอยู่ครู่ใหญ่ คลื่นลมจึงสงบลงจากนั้นท่านก็เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติงานกอฟผออข้าราชการประชาชนศรัทธายาตโยมลูกหลาน ท, ลาทั้งหลายที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้วันนั้นจะเป็นวันทำงานก็ตามพร้อมทั้งรับพับป่าต่อมาภายหลังทราบจากครูบาอาจารย์ว่าหลวงตาได้กล่าวถึงพญานาที่เขื่อนลำตะคองว่าดื้อมากสาหรับหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่า พญานาที่เขื่อนลำตะคองดุกมากยอดบริจาคผาป่าจากผู้ปฏิบัติงานกฟผและประชาชนในพื้นที่รวมเป็นเงิน1 4 7 2งล้านบาท50สตางค์ส่วนทองคำได้ 43.04 บาทและดอลลาร์สหรัฐ 1,217 นดอลลาร์ต่อมาในเช้าวันที่สองกรกฎาคม2545ห คณะผู้ปฏิบัติการกอฟอรพได้กราบนิมนต์หลวงตาพร้อมคณะพระสงฆ์ที่ติดตามฉันพัตนาหารที่อาคารโรงอาหารจากนั้นผู้บริหารได้กราบอารัธนาหลวงตาเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งขอความเมตตาให้ท่านกดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความปีติยินดีกับผู้ปฏิบัติงานกอฟอพเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นไม่ดับ และเมสันสะเทือนเหมือนที่ผ่านมาจากนั้นผู้บริหารได้กราบอารัธนาหลวงตาขึ้นไปที่อ่างพักน้ำบนเขาเพื่อแผ่เมตตาให้แก่โอปปาติกะทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่โดยรอบอ่างน้ำในโอกาสเดียวกันนี้หลวงปู่รีซึ่งติดตามหลวงตาในเมตตาแนะนำให้ใช้บาดพระมาฝังตามรอยรั่วที่อ่างน้ำตามประสบการณ์ที่หลวงปู่ชอบฐานะสมโม เคยพาดาเนินการมาแล้วและได้ผลดีท่านให้เหตุผลว่าพวกพญานาคทั้งหลายเคารพพระธรรมเมื่อพวกเขาเห็นบาทพระอยู่ที่ใดก็จะไม่มารบ ก, กวนอีกจากนั้นคณะของหลวงตาก็เดินทางกลับต่อมาภายหลังหลวงตาได้ให้ใหข้อคิดเกี่ยวกับอ่างพักน้ำบนเขาว่าสิ่งลึกลับธรรมะรักษาได้ในวงเล็บส่วนเรื่องดินต้องแก้ไขให้ถูกวิธี แสงธรรมสว่างใจแสงไฟสว่างตาผู้บริหารซึ่งมีความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ก็ได้ดำเนินการตามที่หลวงปูล่ลีท่านแนะนำทุกประการพร้อมทั้งสามารถหาแนวทางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีอ่างน้าไม่รั่วแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟเข้าระบบสู่สถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเปรียบประดุดได้นำแสงทําให้สว่างใจนำแสงไฟให้สว่างตาแก่พี่น้องลูกหลานไทย <S <S ข้าพเจ้ามาประมวลถึงความคารพและศรัทธานในองค์หลวงตาแล้วท่านมีพระคุณแผ่ภัยสารจนบรรยายไม่หมดว่าโดยย่อหลวงตาเป็นผู้สร้างสามัคคีธรรมในแผ่นดินไทย ท่านเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้พี่น้องไทยร่วมกันช่วยชาติในยามที่ชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤตหลวงตาเป็นพระแท้เป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์สุดส่วนเป็นตัวอย่างของความยิ่งใหญ่ทางธรรมเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมทั้งปวงเป็นผู้เลิศในการฝึกตนจนพ้นจากทุกทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงเป็นผู้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้แล้วอยู่เหนือโลกเป็นพระผู้มีเมตตาต่อสัตว์โลกสุดส่วนเป็นผู้ให้ หลวงตาเป็นศาสนาทายาทของพระบรมศาสดาโดยแท้จึงมาชี้ทางบรรเทาทุกข์คือสมาธิชี้สุขกเกษมสารคือสติและปัญญาให้แก่สัตว์โลกโดยหวังให้ทุกคนมีความสุขและพ้นจากทุกข์ได้นับเป็นบุญวาสนาบารมีของลูกหลานชาวไทยที่ได้เกิดร่วมชาติกับองค์หลวงตาจึงมีโอกาสได้สร้างทานบารมีอันเป็นมหากุศลกับพระผู้บริสุทธ ซึ่งผลแห่งกุศลผลทานที่ได้ถวายกับพระอาหารหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษนี้จะมีอนิสงส์สืบไปนับอสงไขไม่มีประมาณคือจักมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขและเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปานิพานทนสารสมบัติตามกำลังของแต่ละคนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนเพราะทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมกับผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นหลวงตาแล้วก่อนละโลกนี้ จกเป็นอริยะทรัพย์อยู่กับตัวจนเป็นที่อบอุ่นใจได้จึงอยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าขอท่านอย่าได้เสียโอกาสในชาตินี้จงรีบขวนขวายมาร่วมบริจาคทําบุญกับองค์หลวงตาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งเถิดทําบุญแม่บาทเดียวก็มีอนิสงฆ์มากมายยิ่งนักบทความโดยคุณจันแจมสุวรรณเกตเสียงอ่านโดย 做出。